กุณมุนชูเห็นไมเป็นไมนี่มิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเออเนี่ยเห็นเป็นไมเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยมันใครเห็นเป็นไม้แล้วมิจฉาทิฏฐิหมดตอบให้ดีนะตอบให้ดีนะอะเห็นแว่นเป็นแว่นเนี่ยอืม อ๋อให้เห็นเป็นมหาพุทธจริงจะเห็นถูกแล้วเห็นเสื้อเป็นเสื้ออะรคะนี้คุณนภามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเห็นเป็นเสื้อ ถ้าใส่แว่นถอดแว่นทุกวันเนี่ยอ้าเห็นพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกหรคนี้เนี่ยเห็นหนังสือเป็นหนังสือหรอเป็นมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฐิอ่ะคุณคุณชูสรีเห็นสองอย่างค่ะเอ้านั่นเป็นอะไรเป็นอับพยากตะเลยอ่าเนี่เห็นเ้นเอาเห็นพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยอืมเฮ้ยเอ ถ้าเห็นเป็นมิชาที่สี่จะหลอกคนเล่นท่าหน่ะการนัดว่าวสไม่ถาม ถ้่แกตอบไม่ได้เนี่ยอายเขาหมดถ้าไว้ให้รุ่นหลังหลังเอาบูชาา <c oughs> สัจจะในโลกนี้มีอยู่สองยอย่างเห็นไหมสัจจะนี่คือความจริงใช่ไหมความจริงในโลกนี้มีอยู่สองประการที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงแต่สับว่าสัจจะนี่มีเยอะนะ ศัพท์ว่าตัวสัจจะแปลว่าความจริงเนี่ยมีเช่นหนึ่งวจีสัจจะสองทิฏฐิสัจจะแล้วก็อริยสัจจะนะนึกได้สามอย่างเนี่ยแล้วก็อีกศัพบหนึ่งคือประมัฏฐสัจจะ วัจีสัจจะก็คือคําพูดที่เป็นความจริงคําจริงอ่ะส่วนอันหนึ่งนะวจีสัจจะคือคําจริงเหมือนกันเถอะพูดจริงเลยส่วนที่ถีสัจจะคือจริงเหมือนกันแต่จริงในความคิดเช่นสมมติว่าเขาฝันจริงไหมจริงแต่สิ่งที่เขาฝันเนี่ยจริงไหมอาจจะไม่จริง ตัวทิฐินี่เหมือนกันมันมันเหมือนกับว่าเขาเห็นแบบนั้นเห็นจริงไหมเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าจริงในในใ น, ในความเห็นหล่านั้นเถอะเป็นความจริงในความเห็นซึ่งซึ่ง้เห็นอาจจะไม่จริงนะนาะประมาเหมือนกับฝันเนี่ยเขาฝันจริงไหมจริงแต่สิ่งที่เขาฝันเห็นเนี่ยจริงไหมถ้าตรงนี้นะเน้เนไม่จริง ทีนี้อริยสัจจะก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือบทสี่นั่นเองอริยสัจส่วนปรมตสสัจจะหมายถึงนิพพานเนี่ยนะอันนี้โดยโดยสับว่าสัจจะเฉยๆนะแต่ว่าในสัจจะทั้งสองประการเนี่ยเออเรามาเน้นสองอย่างคือสมมติสัจจะ ปรมัฏฐสัจจ ะ, ะความจริงที่เป็นสมมติสัจจะคือความจริงของชาวโลกที่ที่เขาสมมติขึ้นมาพูด่ะนะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาตน้นไม้ใบหญ้าผ้าแก้วน้ำพวกหนังสือ ฟ้าแผ่นดินทั้งหมดที่ที่เป็นโวหารของชาวโลกว่างั้นเถอะถ้าถ้าอีกศัพบหนึ่งก็โวหารของชาวโลกที่เอาไว้เรียกกันเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาเนี่ยนะประราชามหากษัตริย์ขราชการทหารตำรวจอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยประชาชนศัพท์นี้เป็นจริงไหมจริงแต่จริงตามสมมติโวหารของชาวโลก ส่วนปรมัทสัจจะนี้ก็คือเป็นความจริงะนะที่ที่สูงสุดหมายถึงขันอายตนะธาตุพวกนี้เป็นความจริงในขันในชั้นปรมัสต์นี่นะซึ่งขันอายตนะธาตุนั้นอ่ะถ้าเอาอัดลงมาให้ย่อๆ อ, อีกตัทธวตาปิธรรมมัทฐะจตุทาปรมัทโต คือในพร ะ, พะธรรมที่เป็นประมาทเนี่ยคือขันอายตนะธาตุถ้าจะย่อขันอายตนะธาตุมาก็มีแค่สีประการคือจิตอย่างหนึ่งเจตสิกอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งแล้วก็นิพพาน อ, อย่างหนึ่งอันนี้ย่อขันอายตนะธาตุมาแล้วเหลือสีประการนะั้นถ้าประมาทในพระไตรปิฎกเน้นขันอายตนะธาตุ แต่ว่าเนื้อหาย่อไ อ, ไ อ, ไอความหมายของขันยตนาธาทย่อมาก็คือจิตเจตสิกรูปแล้วส่วนที่พ้นจากจิตเจตสิกรูปเรียกว่านิพพานเนี่ยนะตอนนี้กำลังเน้นเรียนอายตนาบัพะอยู่ไง ในหัวข้อว่าด้วยจะรู้พึงรู้จักจักสุใช่ไหมพึงรู้จะรู้ชัดในจักสุรู้ชัดใ น, ร, ดในรูปรู้ชัดสังโยติที่อาศัยจักสุและรูปสังโยติที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยติที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยติที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย นี่ก็มาแบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนส่วนอารมณิกะที่หมายถึงผู้รู้อารมณ์เนี่ยนะคือสภาวะตัวที่รู้อารมณ์ฝ่ายนี้เรียกว่าอารมณะนตัวอารมณิกะหมายถึงจิต กับเจตสิกจิตที่รู้บัญญัติโดยแน่นอนมีกี่ดวงมีไหมเอาะ่ะเฉดจุลโทจุลโทจิตที่รู้บัญญัติโดยแน่นอนอมีกี่ดวงอ่นะรู้แน่นอนเลยเนยรูปประชานรูปประชาน15สบห้า เว้นอภิญยาจิตอันนี้รู้บัญนะ ญ, ญัติแน่นอนเห็นมปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานเจตุทะฌานปัญจมะฌานเนี่ยนะรู้บัญญัติแน่นอนอ า, อากาสารัญจายตนะรู้บัญญัติแน่นอนอากินจัญญาญตนะอันนี้รู้บัญญัติแน่นอนรู้บัญญัติอย่างเดียวเขาจะไม่รู้เรื่องอื่นเลย มันปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตานัติยฌานจตุทฌานปัญจฌานเว้นอภิญญาเนีเพราะเพราะว่าจตุทฌานเนี่ยเป็นอภิญญาก็ได้ไม่เป็นก็ได้อภิญยาจะรู้ทั้งบัญญัติและประมัิแต่ถ้าที่เป็นธรมนนธรมดาเนี่ยฌานจิตธรรมดาเนี่ยฌานสมาบัติทั่วๆไปนั้นจะมีบัญญัติเป็นอารมณ์อย่างเดียวแล้วก็อรูปฌานคืออากาศากับอากิน จันญายจตะนาะจิตเหล่านี้รู้บัญญัตเป็นอารมณ์แน่นอนเขาจะไปรู้ปรมัิไม่ได้นะส่วนจิตที่รู้ปรมัิแน่นอนชัวปัตเลยรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยคื อ, อ, อมโนธาตุสามปัญจทวาราวชนะ แล้วก็สัมปติชนะอีกสองเนี่ยนะมันเรียกว่าปัญจทวาราวชนะหนึ่งสัมปติชนะสองพวกนี้รู้ประมัดแน่นอนแล้วก็ทวิปัญจทวิปัญจวิญญาณจิตสิบอันนี้รู้ประมัดแน่นอน แล้วก็ยังมีจิตอย่างอื่นอีกที่รู้ประมัดแน่นอนคือวิญญาณัญญยตนะนเนวสัญญาณาสัญญายตนะโลกุตระจิตเนี่ยนะจิตเหล่านี้จะรู้ประมัิอย่างเดียวเท่านั้นจะรู้อย่างอื่นไม่ได้นอั ให้รู้ไว้ก่อนนะว่าที่เราเรียนนี้แสดงแบบไม่สิ้นเชิงนะแสดงแบบมีส่วนเหลือเพราะว่าของมาไม่ได้ท่องวิชาเหล่านี้มาก็เอาเท่าที่นึกได้นั่นนะให้รู้ว่าเรียนเท่าที่นึกได้ก็แล้วกันอันนั้นสรุปว่าแบ่งเป็นจิตสองชุดน่ว่าจิตรูปประชาน 15, อากาสาราจายตนะอากินจัญญายตนะอันนี้รู้บัญญัติแน่นอน เธอรู้เฉพาะบัญญัติอย่างเดียวจะรู้อย่างอื่นไม่ได้ส่วนมโนธาสามทวิปัญจวิญญาณเจอ่านะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะโลกุตระอันนี้รู้เฉพาะประมาจิตอย่างเดียวเขาจะรู้บัญญัติไม่ได้เดี๋ยนะอันนี้เรียกว่ารู้ข้อแม้เอาไว้ก่อนเบื้องต้น ีนี้ต่อไปว่าที่ที่เรากำลังต้องการจะพูดถึงเนี่ยนะคือจักสุกับรูปใช่ไหมตัวที่เป็นตากับสีเนี่ยนะจักสุอย่างหนึ่งกับรูปอย่างหนึ่ง โดยโวหารสมมติสัจจะเรียกว่าจักรสุใช่ไหมเพราะคำว่าโวหารห ร, หรือสมมติเนี่ยเ น, เนี่ยเป็นคำที่ร้องเรียกชื่อเร้องเรียกชื่อว่าวัตถุนั้นๆน่นะจริงๆตัวจักรสุมันมีมันมันเรียกชื่อมันเองได้ไหมไม่ได้เข้าไปเรียกเข้าไปมีโวหารโวหารแบบนี้เขาเรียกว่าสัทธบัญญัตอีกชื่อหนึ่งนะ การการตั้งชื่อพวกนี้เรียกว่าสัตสัทธบัญญัติสัทธบัญญัติก็คือการตั้งชื่อว่านี้จากสู่นะนี้รูปภาษาไทยเราก็บอกว่านี้ตานะันี้สีนะหรือภาษาขเขมรว่าพระเอกนะรูปอย่างเก็แล้วแต่สัทธบัญญัติของภาษาในไหนจะเรียกชื่อแต่ถามว่าจริงไหมมันก็จริงตามตามสมมุติ สัตว์จะตามเสียงของของภาษานั้นๆไปส่วนอีกความหมายหนึ่งคืออัตตบัญญัติอันนะัก็เป็นบัญญัติเหมือนกันคือบัญญัติที่เป็นเช่นพวกวิชาทั้งหลายแหละที่ให้รู้ว่าจากักษุมีประโยชน์อะไรพวกนี้จะเป็นเป็นอัตตบัญญัตินะเป็นบัญญัติเหมือนกันเป็นหลักวิชาการที่เช่นไปอธิบายว่าจากักษุนี้มัน เห็นได้นะหรือมันบอกนะหรือจักรสุนี้มันชอบนะคือคำที่ไปอธิบายในจักสุเนี่ยนะความหมายของของของจักสุตามตามบัญญัติอันนั้นเป็นอัฐถบัญญัติเนี่ยนะก็เป็นยังเป็นบัญญัติอยู่เหมือนกันนี่ส่วนอัฐะบัญญัตินั้นก็แบ่งออกเป็นบัญญัติเป็นสองกลุ่มด้วยกันการการบัญญัติความหมายของจักรสุกับรูปเนี่ยนะ คือผู้ที่บัญญัติเนี่ยคือใครเอาแบบทั่วทั่วไปอ่ะนะคือบุคคลทั่วทั่วไปบัญญัติเรื่องจากสส่กับรูปกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บัญญัติจากโสดกับรูปชาวโลกก็บัญญัติว่าจากสดกับรูปแต่จากสสดกับรูปของชาวโลกทั่วทั่วไปก็แล้วแต่ต้องการจะต่อด้วยวิชาไหนใช่ั้ย วิชาทางแพทย์ก็ว่าทางแพทย์ไปวิชาวิชากฎหมายก็ว่ากฎหมายไปเช่นไปแอ บ, บดูอะไรทั้งหลายแหลเป็นต้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้ผิดกฎหมายอะไรบ้างก็ก็ว่าไปตามหลักวิชาการนั้นๆในสายนั้นๆไปแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ยกหยักสู่กับรูปพระองค์ก็บัญญัติบัญญัติว่านี้ขันนะอ่านะซึ่งมันมีสภาวะแบบนี้รองรับอยู่เป็นการบัญญัติตามเป็นจริงว่านี้เป็นขันนะ มันขันทปัญญัติเนี่ยนะเคยไปฟังงานศพใช่ไหมแต่งานศพทุกวันไม่รู้จะสวดหรือเปล่าไม่รู้ไปงานแม่คุณฑพาไม่สวดเลยฉปัญญาติโยขันทัพปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจะปัญญาติอินเดียปัญญาติบุคละปัญญาติเนี่ยนะคือคำว่าขันนี้ก็เป็นบัญญัติบัญญัติขึ้นนะเพื่อเพื่อจะสอนเนี่ยนะอายตนะก็บัญญัติขึ้นแต่เป็นการบัญญัติที่มี สภาวะรองรับอยู่ในในวัตถุนั้นๆจริงๆเนี่ยนะแม้แต่ขันอายตนะธาตุเนี่ยนะแม้แต่ศับว่าจิตเจตสิกรูปนิพานศัพบพวกนี้ก็เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพราะตัวมันเองมันพูดไม่ได้อ่า น, นะก็เหมือนกับทําไมเนี่ยเรียกว่าโต๊ะเรียกว่าเก้าอี้อนะตัวมันเรียกมันเองได้ไหมมันเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มาบัญญัติขึ้นแต่ก็มีจุดประสงค์ในการ บัญญัติใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรในการบัญญัติธรรมวินัยย้อนอีกครั้งนึงว่าทางโลกนะการที่เขาจะบัญญัติอะไรขึ้นมาเขามีวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิ่งนั้นๆขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยนะการบัญญัติสับแสงในโลกก็มีวัตถุประสงค์ทางธรรมะก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันพระองค์บัญญัติมันนี้ขันเนี่ยยตนะนี้ธาตุบัญญัติเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อความหลุดพ้นเอาแบบสูงสุดเลยนะ พระพรุทธเจ้าประกาศธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์เพราะนั้นเป็นการบัญญัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเน้นความสุขที่เป็นโลกุตระซึ่งการบัญญัติสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อสาวกทั้งหลายจะได้บําเพ็ญไตรสิกขาจะได้ปฏิบัติชอบในสิ่งเหล่านี้แล้วจักพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะอันนี้ใช้ศัพท์เทคนิคเยอะๆหน่อย ในหัวข้อตรงนี้มีใครสนใจตรงไหนบ้างถ้าไม่สงสัยก็จะผ่านวันหลังจะได้ถามใหม่ที่ผมสงสัยเนี่ยที่ว่าเห็นหนังสือแล้วเป็นเป็นิชทือสมาธิอธิบายไจัเนี่ยมตรงไหนเป็นสมาธิหรือเป็นิชท่ชทชทชทออผมยังไม่ได้พูดเลยเรื่องนั้นก็มีแต่คนอื่นเ็าพูดผมให้คนอื่นเ็าพูดไปก่อน ซึ่งหัวข้อนั้นยังไม่ได้คุยประเด็นนั้นนะเนกกำลังจะอธิบายว่าโครงสร้างของหลักวิชาของเป็นอย่างนี้ก่อนเี่ยนะ <c oughs> ทีนี้พูดถึงจิตทั่วๆไปจิตที่มารับรู้ทั้งสมมติสัจจะกับปรมัทัสสัจจะเนี่ยนะเอาเอาแบบพวกเราเราทั้งหลายเนี่ยคือ อกุศ ล, ลจิต12เนี่ยนะกับมหากุศล8พวกเราเรานะถ้าภาอาหารก็มหากิริยา8ทีนี้ถ้ามหากิริยาถ้าเป็นญาณสัมปยุทธ์นั้นเรียกว่าสัพพัญยุตยาแต่ของพระพุทธเจ้านะก็เป็นสัพพัญยุตยานมันจิตเหล่านี้จะรู้ทั้งบัญญัติกับปรมัต์ นี้ก็มาแยกจิตอีกครั้งหนึ่งว่าอะอกุศลจิต12บประกอบไปด้วยโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองมหากุศล8นั้นก็แบ่งออกเป็นอย่างละสี่คือประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาส4สี่ดวงไม่มีปัญญาอีกสี่ดวง มหากิริยาก็แบ่งมีปัญญาสี่ดวงกับไม่มีปัญญาอีกสี่ดวง <c oughs> ย้อนมหาโลภะมูลจิตแปดก็ยังแบ่งไปอีก <c oughs> แบ่งเป็นว่ามีทิฏฐิประกอบเนี่ยสี่ดวงไม่มีทิฏฐิอีกสี่ดวง <c oughs> ไม่มีทิฏฐิประกอบอีกสี่ดวง อนนะก็แยกเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฐิเนี่ยวงแคบเหลือแค่โลภะมูลจิตทิฐิขะตะสัมปยุตสี่ดวงขณะที่จิตเป็นโลภะมูลจิตทิฐิขะตะสัมปยุตสี่ดวงไม่ว่าจะรู้อะไรก็ช่างอันนั้นเป็นมิจฉาทิฐิจะรับรู้บัญญัติหรือมันจะรู้ปรมัดมันจะรู้อะไรก็ช่างถ้ารู้ด้วยจิตสี่ชนิดนี้เรียกว่ามิจฉาทิฐิทีนี้ถ้าสัมมาทิฐิล่ะ ถ้ารู้ด้วยปัญญาคือมหากุศล ญ, ญาณสัมปยุตถ้ารู้ด้วยมหากุศล ญ, ญาณสัมปยุตมันจะรู้บัญญัติมันจะรู้ปรมัดก็ช่างก็เรียกว่ามีมีปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคําถาม ท, าที่ว่าเห็นหนังสือเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นศัพท์ที่อธิบายยาวเช่นนี้แหละคือบอกว่าถ้าคุณรู้ด้วยถ้ามีหนังสือเป็นอารมณ์ด้วยโลภะมูลจิตสี่ดวงขณะนั้นคุณเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้ามีมหากุศลญาณสัมประยุทธ์ประกอบสี่ดวงขณะนั้นคุณเป็นสัมมาทิฐิแต่ในขณะเดียวกันจิตอื่นๆไม่มีทิฐิประกอบเลยอากุศลอื่นๆนะเช่นโทสะสองโมหะมูลจิตสองหรือโลภทิฏฐิขาตาววิปประยุทธ์เนี่ยนะสรุปว่าจิต8ดวงที่เหลือเนี่ยไม่มีทิฏฐิประกอบเลยในอากุศลเพราะฉะนั้นเห็นหนังสือรู้ว่าห น, นังสือขณะนั้นโทสะอันนี้ก็ไม่มีทิฐิอะไร ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิแต่ก็รู้ว่าเป็นหนังสือแต่ไม่ชอบอะโทสะเพราะอะไรเพราะในขณะโทสะเกิดไม่มีทิฐิประกอบเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันว่าไม่มีทิฐิประกอบก็ไม่ได้แปลว่ามีปัญญาเสมอไปใช่ไหมเพราะว่ามหากุศลนเขาก็มีเครื่องวัดอีกเครื่องวัดอันนี้คืออะไรทานศีลภาวนาเป็นอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่างธรรมดาทั่ ว, วไปว่า ถ้าจะรับรู้อะไรสักอย่างแล้วบอกว่าเป็นกุศลต้องเป็นไปกับทานศีลและภาวนาทีนี้ทานก็แบ่งเป็นมีปัญญาประกอบกับไม่มีปัญญาประกอบอีกเพรา ะ, ะนั้นความหมายของศัพท์ว่าปัญญาก็กว้างขวางขึ้นไปอีกเห็นไถ้าหากว่าไม่มีปัญญาประกอบนี่แต่ก็ไม่้ื่แต่งอ่ก็ไม่งอ่างะ่กอคือไม่ฉลาดแต่ไม่โงี้แต่ก็ไม่ง่อเอาง้นะอคือไม่ลาดแต่ไม่งองนะแอค่อเอ่ ไม่ถือว่ามีสัมมาทิฏฐิแต่ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิอ่าสำนวนนะสมัยพุทธกาลทขาจะมีคนสามกลุ่มสมัยพุทธกาลนะกลุ่มหนึ่งมีศรัทธาในพระธรรมตรายเนี่ยนะอันนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็บอกไม่มีศรัทธาเนะอีกชุดหนึ่งก็ฉันทำมาหากินของฉันไปฉันไม่เกี่ยวอะ แกจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาฉันก็ไม่เกี่ยวฉันก็ทำมาหากินของฉันไปคนประเภทนี้เครียกว่าคนกลางๆพวกเนี้เหนไอันนี้นี่พูดทั่วๆไปก่อนนะเช่นว่ามีอย่างในเมืองสาวัตถีก็บอกมีอริยาสาวกที่นับถือพระพุทธศาสนามีมั่นคงบรรลุเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็มีกลุ่มเดียร์ีอีกที่ไม่มีศรัทธานะมันตรงกันข้ามคําว่าไม่มีศรัทธาแล้ว่าหาเรื่องเลยเห็นไหมเป็นคู่เวรกับพวกกลุ่มมีศรัทธา แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกชั้นไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะไอ้ไอกลุ่มนี้ลักษณะนี้อันนี้อันนี้อุปมาณน ะ, ช, ะชั้นใดก็ดีถ้ามีปัญญาประกอบเนี่ยนะครับขณะนั้นก็ญาณสัมปยุตไปถ้าไม่มีปัญญาประกอบก็ญาณวิปยุตที น, นี้คำว่าไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างกว้าง กว้างยังไงเพราะโทสะก็ไม่มีปัญญาโมหะก็ไม่มีปัญญาหรือแม้กระทั่งมหากุศลญาณวิปยุทธ์ไม่มีปัญญาแต่เป็นกุศลเนี่ยนะก็ก็ด้วยความฉลาดเนี่ยนะก็ทําลายไอ้กิเลสที่เรียกว่ากุศะออกไปได้เป็นเป็นกุศลเนี่ยนะแปลว่าความฉลาดแต่ว่าฉลาดที่ไม่ให้อากุศลเกิดแต่ว่าไม่ได้แปลว่ารอบรู้ใน อารมณ์นั้นๆทั้งหมดเนี่ยนะคือไม่ได้ไปรอบรู้อารมณ์อะไรแต่ว่าไม่ได้เป็นอกุศลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะล็อกเหลือจิตแค่กี่ดวงเหลือจิตแค่กำลังพูดหรือจิตแปดดวงเท่านั้นเองจิตที่เหลือไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครไปบอกว่าเห็นหนังสือเป็นหนังสือเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ ถ้าใครรีบตอบก็อ่า น, นะถ้าใครรีบตอบเสียเลยอ่า น, นะเช่นเห็นเสาเป็นเสาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็ต้องคิดถ้ามิจฉาทิฏฐิก็จิตสี่ดวงอะ่ะถ้าสัมมาทิฐินะก็ต้องสี่ดวงแต่ถ้าจิตที่เหลือไม่เป็นสัมมาทิฏฐิและไม่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะ ก็ยังไม่ได้อธิบายไงแต่กำลังเล่าถึงตัวจิตก่อนว่าเออจิตที่มันจะเป็นมิจฉาทิฐิมันมีแค่สีนะจิตที่จะเป็นสัมมาทิฐิก็มีแค่สีนะจิตที่เหลือไม่เป็นสัมมาทิฐิและก็ไม่เป็นมิจฉาทิฐิเห็นไนะวันนี้เทศดีนั่งรับไปเลย เอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตนี่คงว่าคร่าวๆแค่นี้พอนะเดี๋ยวจะไปแยก ง, งานวันเสาร์มาพูดวันนี้หมดทีนี้ก็จะเข้าเรื่องที่เรากำลังจะจะพูดถึงคือในในบรรดาสังโยชน์มันมี10บนะสังโยชน์มี10ในอายตนะบัพทะนะ แบ่งตามอัตกถาก็ในหนึ่งแต่ว่าจะแบ่งตามที่คุ้นเคยคืออุทธรรมภาคยาสังโยชน์กับอขออภัยโอรัมภาคยาสังโยติกับอุทธรรมภาคิยาสังโยชน์เรียกว่าสังโยติเบื้องต่ำห้สังโยน์เบื้องสูงอีก5สังโยชน์เบื้องต่ำห้คือส ก, กายะทิฐิเนี่ยนะก็อ2ก็วิจิกิจฉาสา สีละพัตตปรามาสะเนี่ยนะสีละพัตตปรามาต์ก็สี่ก็กามราคะห้าปฏิฆะทั้งห้าข้อนี้เรียกภาษานิยามว่าโอรัมภคิยสังโยชน ที่ใช้คําว่าโอรัมภาคยะสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกใช่ไหมเครื่องผูกโอรัมเนี่ยแปลว่าเบื้องต่ําเพราะฉะนั้นมันผูกลงต่ำนะต่ํากว่าไหนบอกว่ามันพาลงต่ํากับพรหมก็แล้วกั น, นนะต่ําจนถึงต่ําระดับนรกเป็นต้นต น, นั่นแหละก็เรียกว่าผูกไว้ในในใ น, ในพบเบื้องต่ําคือตั้งแต่สวรรค์ชั้นปารณิมมิตวาวสวัสดีไล่ไปจนถึงนรกพวกนี้แหละมันฉุดลงไป ส่วนสังโยชน์ที่ผูกไว้ในระดับสูงอีกมีอยู่5นะนคือ เ, เอ่อรูปปราคาข้อ 7, ก็อารูปปราคา8มานะ9อุทธะข้อ 10, ก็อวิชชาเนีย่ยนะทั้ง10ข้อนี้เอ่อขออภัย หกข้อหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอุธรมนนงงธรมภาคยะสังโยชน์เขียนยังไงจังไกตอนอุธรรมภาคยะสังโยชน์นะเรียกถูกแต่ตัวอักษรไม่รู้ใช้ตัวอะไรบ้างอุทธังอโทใช่ อุนนะอทธรรมพาคย่สังยดเนี่ยอุททางอะโอุทเอนะอุท อ, อุทงตัวนี้แปลว่าเบื้องสูงแล้วก็พยันชนะก็ไปสอบสอบเอากันแล้วกันไปพลิกคัมภีร์ดูเอาอันนี้เรียกว่าผูกไว้ในเบื้องสูงนนะเพราะว่าผู้ที่ถึงจะละเบื้องล่างได้หมดถ้ายังเหลือเบื้องสูงก็ผูกไว้ใน พรหมโลกนเนี่ยนะพวกนี้จะเกิดในสุดทธาวาดถ้ายัางละพวกนี้ไม่ได้เรียกว่าผูกไว้ในพรหมโลกยังไง